สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องประที่สองธรรมโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชคุณความดีของหนังสือเล่มนี้ขออุทิศแด่โยมแม่ดวงแก้วสัญญากอนหลวงพ่อสุจินสุจินโน หลวงพ่อมนตรีอภัสโรคุณแม่ชีอุไรชมแขกไขอุบาสิกาอรนุษย์สัญยากรผู้เป็นแรงบันดาลใจและเกื้อกูลให้ได้บรรพชาอุปสมบทคุณธนารุจิพัฒนกุลคุณประภัยจงเสถียรอุบาสกสมชายวันชนะผู้ช่วยเหลือการ ง, งานของผู้เขียนมาโดยตลอด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 มีสัมมาสติตามรู้ทุกคือตามรู้กายตามรู้ใจอยู่หนึงเนือ ง, องคือมีสัมมาวายามะตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือมีสัมมาทิฐิในภาคป ร, ริยัติธรรมด้วยจิตที่ตั้งมั่นคือมีสัมมาส ม, มาธิไม่นานก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาวะธรรมว่ากายและใจหรือรูปนามเป็นทุกจริง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 ซึ่งไม่ใช่เรามีความรู้สึกหรือมีอาการอย่างนั้นเช่นจิตมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้สงออกหรือหลงไปตามอารมณ์ทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้และสักว่ารู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6คือรู้โดไม่หลงก็รู้